อาจะมาพูดไม่ได้พูดกับตำลานี่พูดกับความจริงพระไตปิฎกนี่ทั้งสามปีศกแล้วจะเป็นเดียนถ้มันจบทั้งสามปีศกมันจบไม่ได้ถ้าสูตรตันตะปิศึกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์พระเวทไตปิฎกสอง0มืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เป็นสี่0มื่นสองพันพระธรรมขันธ์ถ้าที่ทราปีศกเดียวสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ สองตีดกนี้ไปเข้ากับตีดกเดียวนั้นเป็นแปดหมื่นสี่พันพระละหมันมากมัจิตแปดสิบเก้าเจตสิบห้าสิบสองมันมากไปทางนั้นเพียงแต่เราศึกษาลัดลัดสั้นสั้นย่อย่อคนเรจะทําอะไรมาจากใจทางนั้นจะพูดอะไรมาจากใจทางนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าจากใจเราเสียแล้วอ้วนไม่แน่ใจของเราคืออะไรเขาเรียก ว, ว่ากิเลส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 มักจนเจเลย น, นี่โลดทำให้แจ้งทำบ่อยๆมันจะรู้สมุติฐานของความคิดเมื่อรู้สมมติฐานของความคิดแล้วเราเคยพูดว่าเป็นอักสุศลธรรมเรียกว่าโทสะโมหะโลภะมันเป็นรากเหง้าของอภิุศลแจ้งาทาั้งสติสมาธิปัญญานี่มันเป็นรากเหง้าของขุสลมันตรงกันค้าอ ย, อย่างนี้เมื่อเรามีสติ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 เราไม่ละอายเก่งใหญ่เ้าบางคนคิดอิจฉาเบียบเบียนคนนั้นคนนี้เก่ม่ละอายเก่งให่เขาไม่เป็นกลัวต่อคนนั้นคนนี้เขาไม่ละอายดังนั้นคนนั้นจะถือว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่เป็นได้เป็นคนเป็นได้หน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นได้คนไม่มีคมละอายเลยท่าว่าคายคายขึ้นตัดิระวัตาสตร์ตัป็นวักิศาสตเนี่ยทาอะไรทําทำไปดูนีาอ่ที่เดียวครับ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 อย่างที่พวกหนูพวกคุณเนี่ยอยากเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลเอายาให้เขาก็ิบัตินการับอานนั้นเป็นทานวัตถุใครใครก็ทำได้อันนั้ น, นแต่เรื่องจิตใจนี่มันทำไม่ค่อยเข้าใจเพียงให้เราเข้าใจว่าคำว่าทานเนี่ยอยากให้ทานก็มีจุดหมายรักษาสินก็ไม่สิ้นก็แปลว่าป ก, กติถ้าเราไม่เป็นป ก, กติจะมีสินทำไม สินั น, นั้นมาเป็นสินสมมุติอย่างสินห้าตานาอาิน า, นาการเมโมซัเป็นสินสมมุติสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดจะรักษาเช่งคัดขนาดไหนพออย่างไม่เป็นปกติเมื่อไม่เป็นปกติแล้วเราคิดอะไรก็ไม่รู้และจะจะถือว่ามีสินไหมมีมีโดยสมมุติคาว่าสินหมายถึงปกติคือกายแล้วก็ปกติใจแล้วก็เป็นปกติ